การทอกระถินนะที่วัดป่าสุกโตจะตามประเพณีที่ทํากันมาชานานวันนี้เย็นวันนี้นะก็ชาวบ้านก็จะนิยมนะมาเอากองกระถินมารวมนะในหมู่บ้านเรียกว่าวันโฮมเสร็จแล้วก็มีมหนะัศรศพเพื่อเป็นการ ฉเฉลิมฉลองอาจจะมีการเลี้ยงต้อนรับนะเพราะว่าส่วนใหญ่เจ้าภาพที่มาเท่ากรถินก็มาจากแดนไกลนะและสมัยก่อนเนี่ยจะมาเท่ากระถินพรุ่งนี้เนี่ยคืนนี้ก็ต้องมาถึงหมู่บ้านและ้ะเพราะว่าการคามนาคมก็ไม่เคยสะดวกนะต้องมาค้างคืนก่อนอซึ่งก็เป็นธรรมเนียมนะของเจ้าบ้านนะมีอคตุกะมา ก็ต้องต้อนรับต้อนรับก็นอกจากต้อนรับด้วยอาหารก็มีการจัดมหรสพนะอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมที่ทํากันสืบมาหรือแม้แต่ถ้าเกิดคนในบ้านนะเป็นเจ้าภาพทอกถิน่นก็จะมีมหรสพนะมีการกินมีการสนุกสนานรื่นเริง แต่ว่าทางที่นี่น ะ, ะทาเนินมแบบนี้ก็เลิกไปนานแล้วหลวงพ่อท่านก็อยากจะให้การทอดกระถินเนี่ยเป็นไปอย่างเรียบง่ายทนะ่านคงเห็นว่ามหรสรศที่มีก็สิ้นเปลืองนะแล้วก็บางครั้งนะก็มีพวก เล่าพวกอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เดี๋ยวนี้เกิดขึ้นไปทั่วนะเวลามีทอดพระปา่าทอดกระถิ่นนะโดยเฉพาะถ้าหากว่าเจ้าภาพนี่มาจากที่ไกลนะสิ่งที่เอามาเลี้ยงต้อนรับก็มักจะหนีไม่พ้นนะพวกเราแล้วมันก็แพร่ระบาดนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่ากินเล่ากันในหมู่บ้านที่กเข้ามานะถึงในวัดเลยส่วนหนึ่ง เจ้าบ้านก็อยากจะเลี้ยงดูปูเสือให้ดีนะอาคารตุกกาก็เรียกร้องนะอยากมีเหล้าอยากมีเบียร์เนะจ้าบ้านก็ต้องโอนอ่อนผ่อนตามนะเพราะว่าจะได้เป็นธรรมเนียมนะของเจ้าบ้านต้องเลี้ยงดูตอนรับอย่างดีแล้วอาจจะเพราะความเกรงใจด้วยเพราะขา้าตสาลีเอาเงินมานะจริงถ้าเป็นขัวข้าราชการเนี่ยจากในเมือง แล้วก็ต้องเลี้ยงดูกันแบบนั้นแหละให้การทาเนียมการต้อนรับนะอาการตุกกะของคนไทยนี่ก็มีชื่ออยู่แล้วนะสมัยที่มาทอดผ้าป่าที่วัดภูเขาทองเมื่อปีสองสามนะสองสามนี่มันก็สามสิบห้าปีแล้วนะหลายคนในที่นี้ยังไม่เกิดตอนนั้นก็มาทอดผ้าป่าข้าวนะเพื่อหาทุนสนับสนุนสากลข้าวของหลวงพ่อ ก็บอกหลวงพ่อว่าให้จัดแบบง่ายๆนะหลวงพ่อท่านก็เห็นดีด้วยแต่ว่าชาวบ้านนะก็ยังอยากจะหาอะไรมาต้อนรับก็เลยปณิปณนอมเช่นมหรอรศก็ชานที่เป็นหมอรำนะก็เป็นให้ชาวบ้านมารำพื้นบ้านนะมาต้อนรับคนณะพระป่านซึ่งมาจากกรุงเทพนะก็เป็นการต้อนรับ ด้วยศิละปะพื้นบ้านนะมันก็ให้ความรู้ทางวัฒนธรรมส่วนหมอรศพที่เป็นฉายหนังกลางแปลงหรือว่าลิเกหมอรำนะก็เปลี่ยนเป็นฉายสไล่นะฉายสไล่นี่หมุนพระมาเอาสไลสนุกสนุกธรรมะเนี่ยมาพระท่านก็เก่งนะท่านก็สามารถที่จะคุยนะเอาภาพนิ่งมาเล่าให้สนุกได้นะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการ อะไก่เกลี่ยนะเป็นการไกรเกลี่ยเพราะว่าชาวบ้านก็อยากจะต้อนรับขับสู้นะต้องมีมหาวิศพต้องมีการละเล่นฟ้อนรำนะก็ทําให้มันง่ายๆซะก็เป็นที่พอใจกันทุกฝ่ายนะที่จริงเขาชาวบ้านตั้งใจจะล้มหมู่ล้มควายด้วยเพราะว่าคณะพระปา่าจากกรุงเทพเนี่ยนานปีที่หนจะขึ้นมาแล้วก็นี่ก็เป็นคณะใหญ่นะ ก็จะเลี้ยงก็จะล้มหัวลงควายนะก็เลยบอกชาวบ้านไปนเลยว่าขอกินอาหารมังสวิรัตินะตัดปัญหาแนละ้วเรื่องล้มหัวลงควายชาวบ้านก็ทามังสวิรัตไม่เป็นนะก็ใช้ไข่นี่แหละนะไข่นี่เต็มที่เลยนะมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็น ม, มีแต่ไข่ไข่ไข่แต่ว่าคนที่มาก็ก็ยินดีนะเพราะว่า ได้ขึ้นมาบนหลังเขาก็เป็นบรรยากาศที่แปลกแล้วก็ได้มีส่วนได้ทาบุญสนับสนุนกิจกรรมของหลวงพ่อแล้วก็ได้บุญไปด้วยพระป่าคราวนั้นก็ต้องใช้เวลาสามวันทีเดินนะเดินทางหนึ่งวันไปกลับก็สองวันแล้วก็มีเวลาอยู่วัดประมาณวันวันหนึ่งก็สองคืนเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีถนนขึ้นมาบนหลังเขาต้องเดินขึ้นมาปีนขึ้นมา ตลังหลวงพ่อท่าน ก, ก็พยายามปฏิรูปเรื่องการจัดผ้านะป่ากระถินนะจกนกระทั่งไม่ต้องมีอะไรเลยนะก็ไม่ต้องมีการต้อนรับอะไรทั้งสิ้นเนะจ้าภาพก็มากันแบบเงียบๆนะจำได้ตอนที่จำพรรษาแรกในปีสองหกเจ้าภาพมาแค่สองคนหนึ่งนะเป็นโยมผู้หญิง โยมก็มาไปพบหลวงพ่อนะที่กรุงเทพแล้วก็ถามว่าถ้าจะเป็นเจ้าภาพที่วัดป่ า, าสุกโตหลวงพ่อจะอนุญาตไหมแล้วเ็าก็ออกตัวว่าเงินเนี่ยคงจะไม่มากนะก็ประมาณสองหมื่นที่ออกตัวเช่นนั้นก็เพราะว่าหลายวัดเนี่ยจะมีการเลือกนะว่าจะให้อยากจะให้ใครมาเป็นเจ้าภาพเพราะว่า วัดนึงเนี่ยปีหนึ่งนะมีกระถินได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็กระถินเนี่ยก็หลายวัดก็จะเป็นแหล่งรายได้นะเป็นโอกาสที่ทางวัดจะได้มีเงินเป็นก้อนจะเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่นะก่อสร้างหรือว่าเอาไปใช้อะไรก็สุดท้ายแต่ทางวัดวันนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอา่าไปรับรับเจ้าภาพที่ มีเงินน้อยนะก็อาจจะเป็นการตัดโอกาสเจ้าภาพที่เขามีเงินหนานะอันนี้โยงอันนี้ก็เลยออกตัวให้กันว่ามีเงินไม่มากนะแค่สองหมื่นนะหลวงพ่อท่านก็ไม่ปฏิเสธต่นถือว่าใครมีเจตนานะมีจิตศรัทธาก็มาเลยเงินนี่ไม่มีความสำคัญนะขอเอาศรัทธาเป็นที่ตั้งใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะ โยมก็มากันสองคนนะมีโยมกับแม่ก็ทุลักทุเลนะเพราะว่าฝนตกด้วยทางก็แฉะขึ้นมาถึงนี่ก็ค่ำแล้วก็ไม่มีพิธีอะไรนะมานอนที่วัดนะตอนที่สารัไก่สมัยนั้นสาระไก่ก็ทำแบบง่ายๆก็มีผู้ใหญ่บ้านมาเฝ้านะคอยคล้ายๆว่าเป็นการคุ้มกันนะให้ความปลอดภัย แล้ววันลงขึ้นก็ทอดนะก็จบ เ, เป็นไปอย่างง่ายๆเรียบๆนะไม่มีมหราศพไม่มีอะไรทั้งสินน้นนะก็เป็นในเรื่องพิธีกรรมเท่าที่จำเป็นนะสำหรับาการทอดกัะถิน่นเรื่องพิธีกรรมเรื่องาศาสนาพิธีแรงต่างเนี่ยหลวงพ่อเขียนนั้นก็พยายามที่จะตัดเรื่องมหราศพเรื่องแรงต่างทิ้งไปนะ เพราะท่านเห็นว่าหนึ่งมันฟุ่งเฟือยนะสองมันพาให้คนหลงไปได้นะเพราะว่าท่านอยากจะให้ที่นี่นั้นเป็นที่ที่สงบสงัดมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะมหราศพก็ยิ่งจะแทบจะไม่จําเป็นเลยด้วยซ้ําเพราะว่าชาวบ้านนี่ก็สนุกกันทุกวันอยู่แล้วมีมหรสศพได้เสพเนี่ยทุกวันอยู่แล้วทั้งวันเลยด้วยซ้ําไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านตื่นขึ้นมาก็ ไม่มีวิียุไม่มีโทรทัศน์ตื่นขึ้นมาแต่เช้าก็ไปทำนาไปทำไปไร่นะไปไร่ไปนาก็ทำแต่งานกลับมาก็อาบน้ำนะมาหุงข้าวกินข้าวก็คุยกันนะเป็นโอกาสที่ได้คุย ก, กันกับระหว่างพ่อแม่ลูกอาจจะมีการสนทนากันบ้างระหว่างเพื่อนบ้านในยามคำ่ำแต่การ ความบันเทิงนี่ไม่ค่อยมีนะชีวิตของชาวบ้านสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีพิธีกรรมอะไรขึ้นมาในหมู่บ้านเนี่ยเช่นกระถินผ้าป่างานแต่งงานงานศพเนี่ยนะก็จะเป็นโอกาสให้อ่าเพิ่มเติมสีสันขึ้นมาในชีวิตของชาวบ้านก็มีหมอลาศบเนี่ยมันทำให้ชีวิตของชาวบ้านนี่ไม่น่าเบื่อนะมีสีสันจากหมอลาศบแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะ ไม่ว่าที่ไหนในหมู่บ้านเนี่ยตื่นขึ้นมาก็เปิดโทรทัศน์แล้วตั้งแต่หกโมงเช้ามีโทรทัศน์เนี่ยเปิดได้ทั้งวันและที่เปิดนี่ก็เป็นเรื่องความบันเทิงนะแล้วเดี๋ยวนี้โทรทัศน์ก็มีหลายช่องไม่ใช่แต่โทรทัศน์นี่มีคาราโอเกะนะบางบ้างก็เปิดคาราโอเกะส่งเสียงดังนะร้องเพลงไปไรนะ่ก็มีวิทยุซานชิสเตอร์ติดไป กลับมาบ้านก็มีโทรทัศน์ดูดูจนดึกนะบางทีก็ดูวิดีโอนะดูแผ่นซีดีเรียกว่าความบันเทิงเนะี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องหายากเลยมันกลับมีมากนะมีมากจนเกินความจำเป็นเพราะฉะนั้นยิ่งไม่จำเป็นนะที่พิธีกรรมอย่างทอดพระป่าทอดกฐถิ่นนี่มันจะมีความบันเทิงเข้ามา อันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะว่าอที่คนสมัยก่อนเนี่ยเอาความบันเทิงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอกิจกรรมทางศาสนาเนี่ยนะก็เพราะว่ามันมีเงื่อนไขนะอย่างที่ว่าชีวิตของชาวบ้านคนช่างนะ จ, จะเรียบนะจุดอะไที่จะเรียกว่าจืดชื่อไปเลยนะเพราะนั้นก็ต้องมีมหาลศบ้างเป็นครั้งคราวก็อาศัยช่วงเนี่ยมีเทศกาลงานเกี่ยวกับศาสนานี่แหละนะแต่ว่า เดี๋ยวนี้เนี่ยสิ่งที่สิ่งที่หายากเนี่ยมันไม่ใช่ความบันเทิงเริงรมมันไม่ใช่สีสันของชีวิตและสิ่งที่หายากคือความสงบนะความสงมัดอันนี้กลายเป็นสิ่งที่หายากขึ้นมาสมัยก่อนความสงบสงัดเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายมากในชีวิตของชาวบ้านในชนบทนะหรือแม้แต่ในเมืองนะความบันเทิงหายากสมัยนี้มันตรงข้ามนะความบันเทิงหาง่าย นะมันมีอยู่ทุกเวลาทุกวินาทีเปิดโทรทัศนะ์เปิดโทรศัพท์มือถือเมื่อไหรนะ่ความมันเถิงก็มาถึงตัวทันทีแต่สิ่งที่หายไปก็คือความสงบดันะงการที่หลวงพ่อคำเขียนเนี่ยนะได้เรื่เริ่มตั้งแต่แรกนะว่างานก็ถินงานผ้าป่านี่ไม่ต้องมีมอรสบอะไรนะในหมู่บ้านหรือรวมทั้งในวัด ก็ใช้เวลานะในการที่จะทำให้ชาวบ้านยอมรับเรื่องนี้พอสมัยก่อนเนี่ยยังจำได้ว่าัูาทรนี่ยยังมีวิกเกเลยนะมันมีวิกเกชาวบ้านก็อยากให้มีเกมีหมอราอยู่ในจัดในในลานวัดเลยนะและพอมีหมอรำนะมีการละเล่นนะเล่าก็เข้ามาเล่าก็เข้ามา หลวงพ่อท่านบอกว่าเนี่ยตอนสมัยที่มาอยู่ไปปูกเขาทองใหม่ๆเนี่ยประมาณปีสองศูนเนี่ยงานเล็กๆที่ต้องทําคือการขนขวดเหล้าออกจากวัดเนี่ยเป็นร้อยๆเลยเป็นร้อยๆขวดเอาเหล้ามากินกันในวัดเลยนะเนี่ยทั้งที่วัดนี่ก็อน่าจะเข้มงวดเรื่องศีลท่าก็คุยกับชาวบ้านอยู่นานนะจนกระทั่งอตอนหลังชาวบ้านก็ ยอมรับนะที่นี่ก็เหมือนกันนะชาว บ, บ้านก็เข้าใจแล้วตอนหลังนะว่าไอ้มหมอ ร, รัพะไรต่างๆก็ไม่จําเป็นละถึงวันทอดกรถิถ่ก็มาเลยนะและสมัยนี้เจ้าภาพเนี่ยนก็สามารถจะเดินทางตั้งแต่เช้าได้ไม่เหมือนสมัยก่อนเนี่ยเจ้าภาพจากกรุงเทพจะมาท่านี่ก็ต้องมาถึงวัดก่อนวันหนึ่งนะเพราะว่าการคา ม, มานาคมไม่สะดวกอย่างที่เล่า ก็เป็นเช่นี้อยู่หลายปีนะจะมาทอดกระถินนี่ต้องมานอนวัดอยู่คืนหนึ่งนะวันรุ่งขึ้นทอดได้แต่เดี๋ยวนี้เนะจ้าพระไม่ต้องมานอนละเดินทางจากกรุงเทพแต่เช้าเลยตีสนีะ่มาถึงนี่นะก็ทอดได้นะหลังเพงหรือบางทีก็ก่อนเพนได้ซ้าแต่ผู้หลงยังไม่ได้นะผู้หลงยังต้องไปค้างนะผู้หลงนี่ต้องไปค้างก่อนนะไม่มีประเภทว่าเดินทางแต่เช้าแล้วมาทอด อันนี้ยากมากนะนก็มีบ้างนะแต่น้อยนะปกติต้องมาค้างเพราะว่าการคมนาคมมันลําบากกว่าที่นี่นะพอสมควรคนนื้อย่างที่บอกไปแล้วว่าสิ่งที่ขาดหายไปนะสมัยนี้เนะแม้กระทั่งในบูบ้าคือความสงบนะความสงัดนะหลวงพ่อท่านก็ช่วย เ, เห็นการไกลก็ได้นะอสุขโตนี่ก็มีสิ่งที่าผู้คนเนี่ย หาได้ยากนะจากที่อื่นนะก็คือความเงียบสงบนะความเป็นวัดป่านะที่มีธรรมชาตินะเป็นหลักเมื่อมาวัดป่าสุกโตเนี่ยก็จะได้สิ่งที่หาได้ยากนะจากภายนอกนะ ค, ค, คือความสงบนะแต่ว่าหลวงพ่อถ้าต้องการให้เราได้มากกว่า น, นั้นนะไม่ใช่ความสงบเพราะไม่มีเสียงรบกวนนะ ในความสงบแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นของชั่วครั้งชั่วคราวนะเพราะว่าออกไปข้างนอกนะเจอเสียงดัง <c oughs> มากระแทกกระทันก็จิตใจก็ว้าวุ่นนะเอาความสงบที่หลวงพ่อนะอยากจะให้พวกเราได้รับนะก็คือความสงบใจนะแม้วา่าสิ่งแวดล้อมมันจะไม่เป็นใจก็ตามนะ หลายคนเนี่ยนะจะสงบได้ก็ต่อมาสิ่งว่าร้อนเป็นใจนะเป็นใจคือไม่มีเสียงดังนะไม่มีคนพูดผิดหูนะมีคนที่รู้ใจอยู่แวดล้อมนะทุกอย่างราบรื่นหรือว่าเลิศเลอเพอร์เฟนะไอความสงบแบบนี้เนี่ยนะมันเป็นความสงบที่ไม่เที่ยงแล้วก็มันก็มีโทษด้วยนะก็คือว่าพอ พอไปยึดติดนะกับความสงบแบบนี้แล้วเนี่ยพอไม่ได้ขึ้นมานะก็จะหงุดหงิดบางทีหงุดหงิดยิ่งกว่าคนที่เขาไม่ได้ติดความสงบแบบนี้นะคนที่ทําสมาธิแล้วก็ติดความสงบนะหลับตานะอยู่ในห้องแอร์สงบก็มีความสุขแต่พอออกจากห้องปฏิบัตินะไปเจอ สิ่งที่กระทบใจสิ่งที่ไม่ถูกใจก็ระเบิดได้นะอย่างที่เคยเล่าแล้วนะคนมีนักปฏิบัติคนหนึ่งนั่งปฏิบัติธรรมนะอยู่ในห้องเย็นห้องประชุมที่ติดแอร์มีความสงบนะเวลาเดินจงกรมก็ใจก็สงบนั่งก็สงบแต่ว่าพอถึงเวลากลับบ้านจะขึ้นรถจะขับรถเห็นรถเนี่ย ออกไม่ได้เพราะว่ามีรถอีกคันหนึ่งจอดซ้อนนะโมโหเลยนะตะโกนด่าเลยนะสะบดเลยนะความสงบมันแตกกระจุยไปทันทีนะพอเห็นสิ่งที่ไม่ถูกใจนะหรือว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะบางทีสองอย่างนี้ก็แยกกันไม่ออกนะว่าตกลงนี่ที่โกรธเพราะมันไม่ถูกต้องหรือเพราะมไม่ถูกใจหลายคนเนี่ยถึงแม้ไม่ถูกต้องแต่มันถูกใจก็ ก, ก็โอเคนะ คราวนี้เนี่ยนะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับคนที่ติดสงบนะขึ้นชื่อว่าติดแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่ดีทงั้นแหละมันมีโทษนะติดบ้านก็ไม่ดีนะติดบ้านนี้นะจะอจากบ้านก็ก็ไม่อยากออกออกแล้วก็งุหงิดลำคาญนะติดวัดก็เหมือนกันนะติดวัดนี้ก็ไม่อยากออกไปไหนนะังนั้นก็ต้องหาทางงัดแงะนะ งัดแงะออกมาแต่งัดแงะเนี่ยสิ่งที่สำคัญคืองัดแงะสิ่งที่มันอยู่ในใจเนี่ยความติดที่มันเกิดขึ้นในใจต้องงัดแงะออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพระในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีธรรมเนียมนะออกทุดงนะออกทุดงเนี่ยนะเพื่อไม่ให้ติดสถานที่ถ้าอยู่นานๆมันติดนะติดที่ติดถิ่นติดกุฏินะก็ต้องออกไปทุดงนะบางคนก็ติดความสบายนะ ออกไปทุดงเนี่ยออกทุดงก็ไปอยู่ป่ามันก็ได้ฝึกนะให้จิตใจเชี่ยวชาญชํานาญนะในการปล่อยวางนะมีอะไรมากระทบนะก็ปล่อยได้ไม่ยึดไม่เก็บไม่ติดเอาไว้นะขึ้นชื่อว่าการยึดติดเนี่ยมันก็อย่างที่บอเนะี่ยเป็นทุกข์ทั้งนั้นแล้วมันทําให้ความทุกข์เนี่ยเปนความทุกข์ใจนะในที่เราสวยมาสักครู่เนี่ยนะท่านก็บอกนะว่า การแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนะการสาดทิ้งของหนักเป็นความสุขแล้วก็ไม่จับฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกนะที่สำคัญนะหลายคนทิ้งโน่นทิ้งอะไรต่ออะไรอาจจะทิ้งความสะดวกสบายจากบ้านจากเมืองมาอยู่วัดแต่ว่าก็ไปฉวยเอาความสงบมามาแบกเอาไว้ก็ได้นะ นี้ต้องระวังผู้จัดแต่ว่าเนี่ยสลัดทิ้งของหนักหลงเสื่อแล้วก็อย่าไปหยิบช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกบางทีความสงบมันก็เป็นของหนักได้เหมือนกันนะเพราะขึ้นชื่อว่แบกแล้วเนี่ยไม่ว่าแบกอะไรมันหนักทั้งนั้นแก้วเนี่ยแก้วที่ไม่มีน้ําเลยเนี่ยเราถือไว้เนี่ยเราถือไว้เนี่ยทีแรกก็ไม่รู้สึกอะไรนะแต่พอถือไว้สักห้านาทีเนี่ยนะมันเริ่มหนักแล้ว ถ้ถือไว้สิบนาทีเนี่ยมือก็เริ่มสั่นล้วขนาดเพียงแก้วเปล่าๆนะในะสมัยหนึ่งนะสมัยที่สมเด็จพระมาสมมณัสมเด็จ พ, นะพระสังฆราชเจ้ากมารวมหลวงวชริรยานในวงศ์เป็นเป็นเจ้าวาดวัดบวรนะท่านเนี่ยเป็นอุปัชาของในหลวงปัจจุบันแล้วก็เป็นอุปัชาของอสมเด็จพระยาสังวรสมเด็จพระสังฆราชในที่จะมีการอา พระอิศถานเพิงศพเนี่ยนะสองเดือนหน้าเนี่ยพระสังราชเจ้านี้ก็น่าสนใจนะถ้าเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีความเป็นกันเองวันนึงก็มีลูกศิษย์นะเป็นนาวะเอกเนี่ยมามากราบท่านก็ถามเป็นยังไงนาวัเอกคนนี้ก็สีหน้าไม่เสเบายเลยนะก็บอกว่าหนักครับหนักครับมันแย่ครับช่วงนี้เป็นยังไงเหรอเท่านี้แหละนะนาวะเอกคนนี้ก็พลั่งพูกมาเลยว่า ปัญหาต่างๆมันสมรุมเข้ามานะทั้งปัญหาชีวิตปัญหาการทำงานปัญหาครอบครัวปัญหาการเงินเล่ามานะเป็นเรื่องๆนะเป็นฉากๆภาษาสังกัจจานั่นก็ฟังนะนะท่านเป็นคนที่ฟังมีเวลาฟังลูกศิษย์ลูกหามากฟังเสร็จท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแทนที่ท่านจะช่วยแก้ไขอะไรให้นะช่วยให้คำปรึกษาท่านบอกว่า จะให้ทําอะไรหน่อยนะเอา้าคุกเขา่ายืนมือมาแล้วท่านก็ให้ถือกระดาษนะกระดาษแผ่นเล็กๆ เ, เนี่ยกระดาษเปลา่ปลาๆเนี่ยบอกถือไว้นะเดี๋ยวกันเนี่ยฉันฉันใช้เตัวว่ากันนะกันเนี่ยเดี๋ยวจะออกจะเข้าไปข้างในอย่าขยับไปไหนนะให้นั่งอยู่ตรงนี้แหละนั่งอยู่คนนี้ก็ก็นั่งอยู่ในท่านนั่นแนหะ กระดาษแผ่นเดียวมันจะลําบากอะไรแต่พอห้านาทีผ่านไปท่านก็ยังไม่เสด็จกลับมาสิบนาทีผ่านไปท่านก็ยังนะไม่เสด็จมือเนี่ยนะที่ถือกระดาษเนี่ยซึ่งทีแรกมันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่หนักอะไรเลยเนี่ยเริ่มแล้วนะมือเริ่มสัน่นละนะกระดาษที่เบาๆนี่มันกลายเป็นหนักสิบห้านาทีผ่านไปคนนี้นะเริ่มเมื่อยเหงื่อเริ่มออกแล้ว มือนิสันเลยบอกว่าสักพักนะท่านก็เสร็จกลับมาแล้วก็ถามเป็นยังไงน่อยคนนี้บอกอหนักครับผมหนักจนแทบจะถือไม่ไหวแล้วสมเด็จก็เลยถาก็เลยพูดว่าเนี่ยถ้ามันหนัก ง, งั้นก็วางลงเสะนะถือไว้อย่างงั้นเนี่ยนะมันจะไม่หนักได้อย่างไรนายไอ้คนนั้นนี่ได้สติเลยนะได้สติเลยไอ้ที่พูดพูดมาปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่บอกว่าหนักหนักนั ก, นกเนี่ยนะ ได้คําตอบแล้วนะจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเนะ่ยพระองค์บอกว่าอะไรนะไม่ได้บอกตรงๆนะแต่ว่าทําให้นาวาเอกคนนี้ได้คิดเลยนะอ๋อที่หนักเพราะไปแบกเอาไว้แม้แต่กระดาษแผ่นเดียวเนี่ยนะถ้าไปยึดไปแบกเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ยังหนักเลยนับภาษาอะไรกับปัญหาต่างๆปัญหาครอบครัวปัญหาต่างๆถ้าไปแบกไว้ในใจเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นทุกข์สิ นั่นขึ้นชื่อว่าขึ้นชื่อว่าแบกแล้วเนี่ยนะไม่ว่าอะไรเนี่ยถ้าแบกไว้นานๆถือไว้นานๆเนี่ยมันหนักทั้งนั้นความสงบก็เหมือนกันนะความสงบพอไปติดพไปยึดมันเข้าเนี่ยนะมันก็กลายเป็นของหนักได้โดยพาเวลาที่ไปเจอสิ่งวัตล้อมที่มันไม่สงบขึ้นมานะีก็จะโหยหาก็จะเกิดความหยุดเกิดปฏิกะเกิดความขัดเคืองขึ้นมาอันนี้เป็นโลคเป็นโทษของความยึดติดนะ แต่พูดงี้ไม่ได้แปลว่าเราจะหาความสงบไม่ได้เลยนะถึงแม้ไปอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มันวุ่นวายนะแต่ว่าใจไม่เป็นทุกข์ก็ได้นะถ้าหากว่าเรามีสติรู้ทันนะรู้ทันอะไรนะรู้ทันอารมณ์นะและความคิดที่มันมารบกวนจิตใจเสียงดังนี่นะมันไม่ได้ทําให้ทุกข์ทันทีนะ แต่มันทุกเมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นมาในใจนะก็คือความหงุดหงิดถ้าเสียงดังมากระทบหูแล้วความหงุดหงิดไม่เกิดขึ้นใจก็ยังเป็นปกตินะให้เราลองสังเกตดูเสียงดังไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาไม่เกิดขึ้นเมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นมานะความหงุดหงิดนะและหรือความไม่พอใจนะ ซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นไปเกิดขึ้นไปเรื่อยๆก็กลายเป็นความโกรธนะเสียงดังไม่ใช่ปัญหาปัญหาคืออารมณ์นะความไม่พอใจที่เกิดขึ้นอันนี้แหละเป็นตัวทำให้จิตใจไม่สงบนะข้างนอกไม่สงบยังไงแต่ถ้าอารมณ์นี้ไม่เกิดขึ้นจิตใจก็ยังสงบอยู่ได้อันนี้อารมณ์นี้มันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรนะมันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามีความชังมีความไม่พอใจมัน มีความไม่พอใจพอไม่พอใจปุ๊บเนี่ยเวลาเราเจออะไรที่ไม่พอใจเนี่ยมันก็เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาทันทีใช่ไหมถ้าเกิดว่าสิ่งที่มากระทบเราเป็นสิ่งที่เราพอใจมันก็ไม่เกิดความหงุดหงิดไอ้ความไม่พอใจนี่ก็เป็นเรื่องการปรุงแต่งนะมันมันปรุงแต่งขึ้นมาในใจนะมันมีความชังเกิดขึ้นพอเสียงมากระทบที่หูเนี่ยนะเกิดความชังขึ้นมาเกิดความไม่พอใจขึ้นมา มันก็เลยปรุงมาเป็นความหงุดหงิดนะแล้วก็ต่อไปเป็นความโกรธทันถามว่าทําไมถึงไม่พอใจนะก็เพราะมีความยึดติดนะเช่นไปยึดติดความสงบไปยึดติดว่าในสถานที่แบบนี้ต้องไม่มีเสียงโทรศัพท์ดังพอมีเทวโทรศัพท์ดังปุ๊บเนี่ยนะความไม่พอใจความไม่ชอบหรือความชังเกิดขึ้นทันทีเพราะว่าเรามีเราไปยึดติดในมารยาหรือในแบบแผนในกฎเกณฑ์นะว่า สถานที่แบบนี้ต้องไม่มีเสียงรบกวนนะหรือว่าจะยึดติดนะในความสงบว่าเนี่ยสถานที่แบบนี้มันต้องสงบต้องไม่มีอะไรมาแทรกแซงนะมันมีความยึดติดมันมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่นะไอ้ความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละนะที่มันเป็นตัวทาให้เกิดความไม่พอใจนะเวลามีบางสิ่งมากระทบเมื่อสิ่งนั้นมันไม่ถูกใจเรานะมันไม่ตรงกับความยึดความอยากของเรานะ ไม่ต่อความปรารถนาของเราหงุดหงิดเลยเดินทางไปเจอไฟแดงเนี่ยพอเห็นไฟแดงปุ๊บเนี่ยนะมันไม่พอใจเลยนะมีความไม่พอใจเกิดขึ้นนะเพราะว่ามันมีความคาดหวังนะหรือมีความอยากที่จะเดินทางไปถึงที่หมายไว้ให้ความยิ่ความอยากนี่แหละนะที่มันเป็นตัวการที่ทําให้เกิดความไม่สงบขึ้นในใจ เสียงดังเนี่ยมันเพียงแต่ทำให้สิ่งสิ่งวัล้อมไม่สงบแต่ไม่ ไ, ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ใจเราไม่สงบด้วยใจเราไม่สงบก็เพราะว่านะมันมีความคิดความอยากอันนี้เรียกว่าตันหาอุปาทานนะนะถ้าเราไม่รู้ทันตันหาอุปาทานเนี่ยนะมันก็จะเกิดความทุกข์นะเกิดความหงุดหงิดเกิดความขัดเคืองนะเกิดปฏิฆะหรือพยาบาทขึ้นมา แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ทันนะเราไม่มีความยึดความอยากหรือเรารู้ทันความยิดความอยากนั้นเนี่ยนะพอมีอะไรมากระทบใจมันก็เป็นปกติได้หรือว่าเผลอยึดเผลอยากไปแล้วเกิดความไม่พอใจก็รู้ทันความไม่พอใจนั้นเห็นความไม่พอใจอะไรเห็นสติเห็นนะพอสติเห็นปุ๊บเนี่ยนะมันวางเลยนะ ถ้าไม่มีสตินะจิตมันก็ไปยึดความไม่พอใจนั้นทั้งที่มันทําให้ทุกข์นะแต่ว่าก็ยังยึดนะพอยึดแล้วนี่ทุกข์ทันทีเลยนะเหมือนก็ไปไปหยิบกรวดไปหยิบกรวดที่แหลมที่คมหรือว่าไปบีบมนันเอาไว้นะเป็นเศษแก้วก็ได้ไปบีบมันเอาไว้ก็เจ็บนะแต่ว่าไม่ใช่มือเจ็บแต่เป็นใจที่เจ็บนะสิ่งที่หลวงพ่อเขียนท่านอยากจะให้เรารู้จักเนี่ยนะ ไม่ใช่แค่ความสงบสงัดของสิ่งแวดล้อมนะในอาราม์ที่เป็นปา่านะที่ร่มรื่นนะแต่ว่าให้เรารู้วิชาให้เรามีวิชาในการที่จะรักษาใจให้สงบได้ไม่ว่ า, ามีอะไรมากระทบทางตานะทางหูนะทางกายหรือว่าทางใจเช่นมันเผลอคิดไปนะเผลอคิดไปถึงเรื่อง ถึงคนนะที่เราไม่ชอบถึงการกระทําที่เอาเปรียบเบียดเบียนเรานะใจมันโกรธขึ้นมาทันทีนะอันนี้เรียกว่าเกิดผัสสะแล้วนะผัสสะนี่มันไม่ได้แปลว่าไม่ได้หมายความเฉพาะว่าตาเห็นรูปหูได้ินเสียงอย่างเดียวนะแม้ว่าการคิดขึ้นมานะและใจไปรับรู้การคิดนั้นเนี่ยมันก็เรียกว่าเกิดผัสสะแล้วแล้วพอเกิดผัสสะแล้วปรุงแต่งขึ้นมาเพราะว่า นะมันมีความยึ่ความอยากนะบางทีก็ยึดในอัตตาตัวตนนะเขาทำอะไรไม่ดีกับเราก็พูดไม่ดีกับเราเนี่ยมันก็ไปกระแทกอัตตาตัวต น, นก็เกิดความโกรธเกิดความขุนเคืองเรื่องมันผ่านไปแล้วเป็นเดือนเป็นปีแต่พอคิดปุ๊บเนี่ยนะมันโกรธขึ้นมาทันทีนะเพราะว่ามันมันสวนทางนะกับสิ่งที่เรายึดอยากเช่นอยากจะอยากให้เขาชมเรา อยากจะให้เขานะสารเสริญเรานะพอมันกลายเป็นตรงข้ามเนี่ยนะมันไม่ตรงกับสิ่งที่ยึดที่อยากก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาแล้วเราต้องรู้จักนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะมันมีความสงบที่มันมีความสงบที่ดีกว่าความสงับของสิ่งแวดล้อมนะก็คือความสงบที่ใจและความสงบที่ใจนี่จะให้ใครทําให้ก็ไม่ได้นะจะให้คนอื่นเข้ามา ทำอะไรถูกใจเราแต่พึ่งเื่อมันก็เป็นไปไม่ได้จะมีแต่คนถูกคนรู้ใจแวดล้อมเราเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากหรือแม้จะมีคนรู้ใจแวดล้อมหมดแต่ว่าดินฟ้าก่าไม่เป็นใจนะไม่ถูกใจนะก็จิตใจก็ว้าวุ่นขุนเคืองได้แต่ถ้าเรานะรู้จักรักษาใจของเรานะมีสติมีปัญญาทําให้ รู้เท่าทันอารมณ์ความคิดที่เกิดขึ้นและวางมันลงได้หรือว่ามีปัญญาจนถึงขั้นว่าไม่มีความยึดติดถือมั่นในสิ่งใดพอรู้ว่ามันไม่มีอะไรเชี่ยงรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่จะเป็นสุขถาวรรู้ว่ามันมีอะไรที่จะยึดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราได้จิตก็เป็นอิสระนะอะไรมากระทบนะมันก็ไม่มีความชังแล้วก็ไม่มีความชอบด้วยชอบนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่าชอบอะไรก็ติดสิ่งนั้น พอไม่ได้สิ่งนั้นก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีอันนี้เราก็ต้องนะเราต้องรู้จักนะฝึกใจของเราเนี่ยจนกระทั่งได้เข้าถึงนะความสงบแบบนี้นะซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่นะในยุค ป, ปัจจุบันนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องความสงบของสิ่งแวดล้ลอมอันนั้นหายากอยู่แล้วแต่ที่ยากที่สุดก็คือนะความสงบในใจนะด้วยการที่มีสติมีปัญญาอย่างที่ว่ามา เอาละาคำที่พูด ก, กับท่านี้เอากรับฮะ